ทางสายเอกนี้ถ้า ย, ย่อๆออกมานะก็มีอันเดียวเท่านั้นแหละคืออริยมรรคกระจายออกไปก็มีองค์แปดถ้าแปนมากไปย่อลงมาก็เป็นสามคือศีลสมาธิปัญญาเะฉั้นศีลสมาธิปัญญาก็ต้องครบถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่ครบองค์มรรคก็ไม่ครบแปดในองค์มรรคมรรคมีองค์แปดเนี่ยมรรคในมีหนึ่งนะ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 เนมรคมีองค์แย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่ครบอริยมรคจะไม่เกิดเะั้นถ้าเจริญมีศีลอย่างเดียวนะไม่ฝึกจิตไม่เจริญปัญญาก็ไม่มีอริยมรคฝึกจิตอย่างเดียวไม่มีศีลไม่มีอริยมรคเจริญปัญญาอย่างเดียวพิจารณาลูกเดียวเลยไม่มีศีลไม่จะมีสมาธิไม่มีการฝึกจิตฝึกใจรองรับ